เอาละเมืว่ากันมาอย่างนี้แล้วบายนี้ไม่เดินจริงๆเดี๋ยวเราจะนั่งกันนั่งภาวนากันเดี๋ <c oughs> <c oughs> นั่งถ้าเมื่อยมากเปลี่ยนได้แต่เวลาเปลี่ยนให้เปลี่ยนด้วยสติเปลี่ยนด้วยสติเข้าใจไหมเข้าใจปะ ในลองเปลี่ยนด้วยสติด้วยสติแล้วเหรอเนี่ยนะ <c oughs> เปลี่ยนด้วยสติคือสมมุติว่าเรานั่งอย่างนี้เนี่ยเรานั่งอย่างนี้แล้วมันปวดนี่ปวดได้เนี่ยข่าเสื่อมหมดนะนั่งอย่างนี้ปับ๊บมันปวดเรารู้ลมหายใจอยู่ใช่ไหมเรารู้ลมหายใจอยู่ยงนี้ปับ๊บแล้วมันปวดเปลี่ยนด้วยสติคือเปลี่ยนอย่างไรยก จ, จิตกลับมาเลย เอมือไปจับปุ๊บรู้สึกตรงนี้เลยเปลี่ยนท่าแต่สติยังเดิมยังถูกใจเริญอยู่ปั๊บเลยจะจับปับ๊บรู้สึกตัวตลอดปับ๊บเราจะเปลี่ยนไปยังไง ก, ก็เปลี่ยนไปด้วยสติช้าๆไม่มีการเคลื่อนไหวใดที่ไม่มีสติรู้พอจบเสร็จเรียบร้อยตั้งตัวขึ้นมาก็รู้ลมหายใจการปฏิบัติก็จะต่อเนื่องต่อย้อนกันไปได้แต่ถ้ามันยัง ได้อยู่นะก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันแล้วทำความรู้สึกเหมือนเมื่อเชา้าเริ่มตน้นตัดปาลิพธได้วดวงรอบชวยอย่างเงี้ยรัศมีตัวเราเนี่ยคนหนึ่งก็ไม่เกินรัศมีไม่เกินวงกลมหนึ่งประมาณเท่าไหร่ได้เท่าๆกันแล้วนั่งแล้วรัศมีไม่เกิน หนึ่งเม็ดถึงเม็ดไหมไม่ถึง <1 m. S 1> ฮะวงกลมรอบตัวเองตั้งไว้อย่างนี้แหละอันนี้คือขันห้าไม่มีชื่อไม่มีแช่เข้าใยังเป็นดินน้ําลมไฟก่อตัวขึ้นมาเป็นกายมีปฏิสนธิจิตมีจิตคลองกายกันอยู่นี่เป็นกองของรูปกองของน้ําเท่านั้นคลองลงไปเราไม่ใช่คนแก่เราไม่ใช่คนสาว เราไม่ใช่คนสวยเราไม่ใช่คนหล่อเราไม่ใช่คนขี้เรเราไม่ใช่คนน่ารักไม่ใช่คนเก๋ไม่ใช่คนมียศมีศักดิ์เราไม่ใช่เจ้าคุณเราไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนะเราก็ไม่ใช่นางงามไม่ใช่นางเราไม่ใช่ผู้ัวหน้าไม่ใช่มียศถาบรรดาศักดิ์เราไม่ใช่มีลูกน้องเราแค่ขันห้าตั้งแม่อยู่ตรงนี้วงกลมเนี่ยมันก็ตัดเรื่องเราออกไปเยอะ พลุดออกจากเรื่องราวของขันหานะสิ่งนี้สมมุติมันพาไปเยอะดวงบ้านดวงรถคุณแจบ้านที่ทำงานลูกน้องอเปียแช่วันนี้หวยออกอีกวันนี้หวยออกอีกก็มีปริโพด่บางส่วนเหมือนกันเพราะฉะนั้นทำใจทำความรู้สึก ให้มันมีกำังบ น, นน้อยที่สุด <c oughs> นั่งทำความรู้สึกไปก่อนให้มันเกิดความสบายะเกิดความสบายเกิดความรู้สึกตัวเราก็อย่าเพิ่งรู้ลมหายใจนั่งปรับ ความรู้สึกต่อความเป็นจริงของชีวิตที่ตั้งอยู่ในขณะในขณะนี้ว่ามันเป็นก้อนของธาตุก้อนหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่แน่แน่มันมีแต่การแปรปวนุนเปลี่ยนแปลงและก็แตกดับไปในที่สุดไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีอยู่ในนั้นในนั้นก็ไม่มีเรามันเป็นเพียงแค่ก้อนธาตุก้อนหนึ่ง ที่เรามอาใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนกจิตตั้งอยู่อย่างนี้ <c oughs> ให้นั่งทำความรู้สึกตัวไปก่อนนะอย่าเพิ่งรู้ลมหายใจจนกว่าทุกอย่างจะพร้อมปรับมือวางมือปรับขาให้ถ น, นัด เมพร้อมแล้วก็สํารวจด้วยการตั้งตัวให้ตรงยกลำตัวขึ้นให้ตั้งตรงแล้วตั้งตรงกระดูกสันหลังก็จะตั้งฉากกับพื้นจะมีความรู้สึกตัวขึ้นมาจากการยืดลำตัวให้ตรงจะมีความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วน้อมจิตเข้าไปสู่ใบหน้ารู้สึกเฉพาะหน้าของตนเอง จะเข้าไปรู้ลมหายใจทั้งหมดมุ่งสู่ลมหายใจความรู้สึกของเราทั้งหมดมุ่งสู่ลมหายใจลมหายใจของเราเป็นธรรมชาติที่เคลื่อนไหวทางช่องจมูกลมในก็ไหลออกลมนอกก็จะไหลเข้า ลักษณะการไหลออกและไหลเข้าของลมหายใจของแต่ละคนมีความแรงความเบาความหนักความละเอียดมันปรากฏอยู่เป็นของเฉพาะตัวของใครของมันลมหายใจของใครที่ไหลออกในช่องจมูกใครลมหายใจของใครก็ไหลออกที่ช่องจมูกของคนนั้นการไหลของลมหายใจ ลมนั่นแหละเขาเรียกว่ายโยธาลมที่ไหลออกลมที่ไหลเข้าไม่ใช่เราเราไม่มีในลมนั้นลมนั้นเป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้ทุกวันทุกวันทุกวันทุกเวลาทุกเวลาก็ไหลออกไหลเข้าและลมนี้เป็นเครื่องปรุงแต่งกาย ทั้งกายที่ตั้งอยู่ได้ก็เพราะอาศัยลมหายใจออกลมหายใจเข้าเป็นเครื่องตรุงแต่งอยู่เขาเรียกว่าลมปราณคือชีวิตก็คือลมหายใจนี่แหละทุกวันทุกวันทุกวันเราอยู่ทําเรื่องเยอะแย ะ, แยะมากมายแต่เราก็ไม่เคยรู้สึกกับลมหายใจแต่ในขณะที่เราเคลื่อนไหวอยู่เราก็ลมหายใจมันก็เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกอยู่อย่างนี้แต่นับจากวินาทีนี้ เราจะเอาความรู้สึกทั้งหมดไหลลงสู่ลมหายใจเราจะไม่ปล่อยให้ลมหายใจใดที่เคลื่อนไหวโดยที่เราไม่รู้เราจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกตั้งแต่เริ่มต้นลมกลางลมปลายลมและจนสุดลมหายใจที่ไหลออก และเราจะรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมสุดลมน้อมความรู้สึกทั้งหมดลงสู่ลมหายใจลมหายใจก็เป็นเสมือนกับพวงมาลัยรถที่เราจะต้องจับอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เราขับแม้ว่างเว้นบ้างบางขณะแต่ในที่สุดแล้วเราก็ต้องไปจับ หรือลมหายใจเหมือนกับลูกฟุตบอลที่อยู่ที่เท้าของนักเตะขณะที่มันเคลื่อนกันไปเคลื่อนกันมาลูกฟุตบอล น, นี้ก็จะกลิ้งหมุนกลอเกลียอยู่ที่เท้าของนักเตะฉันใดลมหายใจกับจิตที่รู้ลมหายใจก็จะคลอเคลียกันอยู่อย่างนั้นเรียกว่าเราจะไม่ปล่อยให้ลมหายใจใด ที่เคลื่อนไหวโดยที่เราไม่รู้น้อมจิตที่รู้ลงสู่ลมหายใจทำลมหายใจกลางๆเบาๆด้วยการหายใจเข้ายาวๆให้สุดแล้วก็เว้นระยะลมไว้ แล้วก็ปล่อยลมหายใจออกมาช้าๆกลางๆเบาๆให้สบายๆพร้อมด้วยใจที่รู้สึกตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมสุดลมปลลมหายใจออกสุดเว้นระยะไว้หน่อยหนึ่งแล้วก็หายใจเข้าหายใจเข้าสุด เว้นระยะไว้หน่อยหนึ่งแล้วก็รู้ลมหายใจออกทำลมหายใจกลางๆสบายๆเรียบๆพอลมหายใจออกสุดเว้นระยะไว้หน่อยหนึ่งแล้วก็หายใจเข้าพอหายใจเข้าสุดเว้นระยะไว้หน่อยหนึ่งแล้วก็หายใจออกหายใจออกให้ยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้โดยไม่อึดอัด หายใจออกกางกลางยาวๆให้ยาวที่สุดเท่าที่ยาวได้แต่โดยที่ไม่อึอดอัดเพราะมันทำต่าจะอึอดอัดเราก็หยุดเว้นระยะไว้หน่อยหนึ่งแล้วก็หายใจเข้าทำอย่างนี้โดยประมาณหนึ่ง จิตรู้จะน้อมเข้าไปสู่ลมหายใจทั้งหมดดูลมหายใจสูดหยุดลมหายใจจังหวะที่ลมหายใจหยุดจะเห็นอาการของจิตรู้ที่รวมตัวเข้าไปสู่ลมหายใจหยุด การทำความรู้อย่างนี้ต้องหายใจเข้ายาวๆแล้วก็ทำลมหายใจกลางๆแล้วก็หายใจออกเบาๆพอลมหายใจออกสุดปับ๊บก็เห็นความนิ่งที่ไม่มีลมอะไรเคลื่อนไหวเรียกว่าลมหายใจมันหยุดทำความรู้สึกกับลมหายใจที่หยุดให้ได้จิตมีความรู้สึกไม่มีลมใดๆเคลื่อนไหวผ่านไปมา ไม่มีลมใดที่เพื่องเคลื่อนไหวผ่านเข้าผ่านออกเห็นความหยุดความนิ่งแล้วก็หายใจเข้าหายใจเข้าพอสบายสบายโดยประมาณแล้วก็หยุดลมหายใจไว้ได้ทำความรู้สึกต่อลมหายใจหยุดจิตมีความรู้สึกลมหายใจหยุดไม่มีลมใดเคลื่อนไหวแล้วก็หายใจออก เมหายใจออกสุดทำความรู้สึกต่อลมหายใจที่หยุดเน้นไปที่ลมหายใจหยุดทำความรู้สึกให้ได้ทำความรู้สึกต่อลมหายใจหยุดให้ได้เมื่อรู้สึกได้ก็หายใจเข้าเมื่อรู้สึกได้ก็หายใจออกเมื่อรู้สึกได้ก็หายใจเข้าแต่ลมหายใจนั้นจะต้องทำกลางๆเบาๆ สบายสบายไม่อึดอัดทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เมื่อรู้สึกกับลมหายใจหยุดชัดเราก็จะเห็นความสงบในตอนลมหายใจหยุดพอลมหายใจที่ไหลออกปับ๊บพอลมหายใจหยุดจิตจะโน้ม้าไปสู่ความสงบตอนที่ลมหายใจหยุดจากนั้นรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออก รู้สึกกับลมหายใจที่ไหลเข้าตามปกปติช้าช้ารู้ลมไหลออกช้ายาวก็ได้สั้นก็ได้ขอให้เป็นแค่ความสบายของจิตรู้รู้อย่างสบายสบายลมหายใจช้าก็ได้ละเอียดก็ได้ รู้ออกแล้วก็รู้ข้าวรู้ออกแล้วก็รู้ข้าวให้สบาย <c oughs> วันนี้จะพาพวกเราไปชื่นชมธรรมะ อันสำคัญอยู่กับลมหายใจในระหว่างที่ฟังอยู่นี้จิตเกาะลมหายใจรู้ไปเรื่อยๆช้าๆอาการที่ใจของเรายัางรู้ยังรู้ต่อลมหายใจไหลออก ยังรู้ตวลมหายใจไหลเข้าความยังรู้น้อมเข้าไปเพื่อความยังรู้เป็นเพียงแค่ยังรู้รู้สึกตกลมหายใจความยังรู้นี้เรียกว่าสติลมหายใจเป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกยังรู้ เป็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่อะไรเป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกระลึกความอย่างรู้ที่เรากำลังรู้กำลังระลึกน้อมเข้าไปอันนั้นเป็นสติลหมหายใจเป็นสิ่งที่ถูกระลึกระลึกเข้าไปเรื่อยๆออกอย่างไรระลึกเข้าไป เข้าอย่างไรระลึกเข้าไปสติก็คือความระลึกลมหายใจคือสิ่งที่ถูกระลึกสติระลึกเข้าไปสู่อารมณ์คือลมหายใจ เมื่อระลึกเข้าไปเรื่อยๆจิตมีลมหายใจเป็นเครื่องจูอันมีสติเป็นเครื่องระลึกเป็นสิ่งระลึกเข้าไปสู่ลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกระลึกอันนี้เรียกว่าสติเมื่อจิตรู้ไม่มีอย่างอื่นมีแค่ลมหายใจที่อย่างระลึกลงไป สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือธรรมวิจัยคือการวิจัยวิเคราะห์อารมณ์ระลึกเข้าไปแล้วก็เกิดวิเคราะห์วิจัยลมหายใจในเนื้อลมหายใจช้าชาตั้งแต่ลมหายใจที่ไหลออกที่เราระลึกเข้าไป เราวิเคราะห์วิจัยดูว่าลมหายใจเป็นอย่างไรต้นลมเป็นอย่างไรกลางลมเป็นอย่างไรปลายลมเป็นอย่างไรตอนลมหยุดเป็นอย่างไรลมเข้าต้นลมเป็นอย่างไรกลางลมเป็นอย่างไรปลายลมเป็นอย่างไรวิเคราะห์พินิษฐ์ิจารณาเรียกว่าวิจัย เมื่อระลึกวิเคราะห์วิจัยลงไปสู่ลมหายใจจิตที่รู้จะไม่หลุดออกไปที่ใดแม้หลุดออกไปก็จะกลับมาสู่ลมหายใจอย่างธรรมชาติการที่จิตอย่างระลึกและวิเคราะห์ลมหายใจ มุ่งเข้าสู่ลมหายใจอย่างธรรมชาตินี้แหละเรียกว่าวิริยะมันน้อมก็ไปอาการที่น้อมก็ไปนี่เรียกว่าฉันทะอยู่กับวิริยะเพียนรู้เพียนระลึกเพียนรู้เพียนระลึกเพียนวิเคราะห์เพียนวิจัยเกาะติดอยู่กับลมหายใจดูชัดอยู่ในเนื้ออารมณ์คือเนื้อลมหายใจดูรายละเอียดของลมหายใจไปเรื่อยเรื่อยนี่เรียกว่าสติ ธรรมะวิจยะและวิริยะเ ม, เมื่อลมหายใจเป็นสิ่งที่ถูกระลึกจิตโน้มก็ไปสู่ลมหายใจอย่างธรรมชาติมีฉันทะมันก็จะคลายจากสภาวะต่างๆ ไม่ว่าจะได้ยินไม่ว่าจะได้ไม่ว่าจิตจะหลุดออกไปคิดการกระเพื่อมของจิตก็น้อยลงในขณะที่ลมหายใจไหลออกจิตจะรู้สึกเย็นดื่นเริงเรียบพอลมหายใจไหลออกสุด ภาวะที่ลมหยุดจิตรำผัดลมหยุดได้ก็เกิดความเรียบของจิตที่รู้ความรื่นเริงเบาๆความเย็นพอไปเกาะรู้ลมหายใจเข้าจิตที่รู้ลมหายใจขณะที่เดินเคลื่อนเข้าไปก็จะมีความรู้สึกเรียบเย็นแล้วก็รื่นเริงนิดๆ จนลมหายใจหยุดจิตรู้สึกสงบทำความรู้สึกต่อลมหายใจให้รื่นเรื่องเรียบเย็นเบาสบายจิตมันสงบได้ แล้วก็มีกำลังมีกำลังจนจิตรู้สึกเหมือนจะอยู่ตัวกับมันได้เย็นแล้วก็อิ่มในขณะที่จิตรู้อยู่ลมที่ไหลออกจิตรู้อยู่กับลมที่ไหลเข้าจิตรู้อยู่กับภาวะที่ลมหยุดลมไม่เคลื่อนโดยที่จิตไม่รู้ไม่มีลมใดหลุดออกไปจากจิตที่รู้ได้ ความอิ่มตัวด้วยความเย็นความสงบก็เกิดไอ้ตรงนี้เรียกว่าปิติความอิ่มความเย็นความสบายสบายที่เกาะ อ, อยู่กับความอย่างระลึกสู่ลมหายใจ ความเท่าทันลมหายใจในรายละเอียดตามความเป็นจริงเกาะอยู่อย่างนั้นน้อมใจเข้าไปเพียรรู้เพียรระลึกอย่างนั้นจิตมีความเรียบความเย็นความอิ่มอย่างนั้นมันก็จะตัดความพุ่งซ่านของกายเรียกว่ากายก็จะนิ่งกายก็จะสงะบ สามารถเรียนรู้ได้เวทนาทั้งหลายที่มีอยู่ที่เกิดที่กายไม่ว่าความเจ็บความเมื่อยความเหน็บความชาที่มีอยู่มันก็คงมีอยู่ตามปกติแต่ไม่มีผลต่อสติไม่มีผลต่อจิตที่รู้อยู่ในขนาดนี้จิตเพียงแค่รู้เฉยแค่รู้เฉยต่อเวทนาเหล่านั้นต่อสภาวะธรรมเหล่านั้นยังคงอิ่ม อยู่กับความเย็นความเรียบนั้นอยู่กายก็จะนิ่งเพราะจิตไม่วันไหวต่อเวทนากายก็จะนิ่งเพราะจิตมีความรู้สึกต่อลมหายใจแ น, แน่แน่กายก็สหบตั้งมัน่นไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนท่าเปลี่ยน เคลื่อนไหวใดๆเพื่อบิดบังเพื่อเพื่อผ่อนคลายอิริยาบถอาการเหล่านี้จะหายไปอันนี้เรียกว่ากายตั้งมั่นกายสหบจิตสหบจากอารมณ์หลายๆประการมุ่งเข้าสู่ลมหายใจเพียงอย่างเดียวมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่อย่างระลึกเข้าสู่ลมหายใจลมหายใจเป็นสิ่งที่ถูกระลึก จิตจะคลอเคลเคียอยู่กับลมหายใจแล้วก็มีความสงบของกายตั้งอยู่จิตก็จะสงบจากอารมณ์อันเป็นสภาวะทั้งหลายไม่เข้าไปซ่องเสพใดใดแค่รู้อยู่กับลมหายใจอย่างนี้ตั้งมั่นอยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าปัสสติคือความสงบใจและอารมณ์นั้นได้อยู่ลมหายใจก็จะเบาลงไปเรื่อยๆจิตจะรู้สึกมีความสงบ ขณะที่ลมหายใจหยุดน้อมเข้าไประลึกเข้าไปอย่างนี้มันก็จะเกิดความรู้สึกต่อจิตจิตจะมีความรู้สึกต่อลมหายใจด้วยและก็มีความรู้สึกต่อ มีความรู้สึกตัวต่อกายทั้งกายนี้ด้วยในขณะที่จิตรู้ลมหายใจไหลเข้ารู้ลมหายใจไหลออกจิตรู้สภาวะที่ลมหายใจหยุดทั้งนั้นจิตจะมีความรู้สึกต่อกายนี้ทั้งกายด้วยกว่ากายทั้งกายที่ตั้งนั่งอยู่อย่างนี้แล้วก็ไปรู้ลมหายใจนั้นด้วย มันเบามันเรียบมันเย็นมันสบายมันสงบแต่จิตก็เกิดความสุขอันนี้เรียกว่าความสุขความสุขจากการที่จิตรวมรวมตัวเข้าไปอยู่กับอารมณ์อันเดียว เจิตรวมตัวเข้าไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่บอกว่าเป็นสุขนั้นก็ทำให้จิตเกิดความตั้งมั่นในอารมณ์ที่ชื่อว่าสมาธิสิ่งต่างๆนอกเหนือจากอารมณ์ของจิตแล้วจะมีผลต่อจิตน้อยมากอันนี้คือความตั้งมั่นในอารมณ์ของจิตคือลมหายใจ จิตรู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าอย่างตั้งมั่นจิตรู้ถึงความตั้งมั่น น, นั้นๆที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าสบาดาดั่งจิตตังอัศสิทธามีติสิกขติจิตรู้ศึกษาถึงความที่จิตมันตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจอย่างนั้นแล้วก็หายใจที่ออก จิตรู้แล้ก็ตั้งมั่นกับความที่ลมหายใจตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจอย่างนั้นแล้วก็หายใจเข้า จิตนิ่งชัดในอารมณ์ที่ตั้งมั่นอยู่อย่างนี้ไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นทำให้จิตเกิดการกลับเพิ่มได้ก็ยังคงตั้งมั่นอยู่ต่อไปเรื่อยๆความตั้งมั่นเหล่านี้จะบ่มจิตให้วางเฉย ความเฉยของจิตที่เกิดขึ้นจากความตั้งมั่นก็คือจิตจะไม่วอกแวกไม่กระเพื่อมไปตามเหตุตามปัใจจัยใดๆที่กระทบจิตไม่ไหลออกไปเสพอะไรยังคงมุ่งสู่ลมหายใจนิ่งๆเฉยๆบางครั้งก็ครองจุด จิตรู้ก็ครองตัวอยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วสลับกับการไปรู้ลมหายใจบ้างรู้ลมหายใจเข้าบ้างรู้ลมหายใจออกบ้างจิตมีเฉพาะลมหายใจเป็นเครื่องอยู่กับการวางเฉยเท่านั้นการอย่างระลึกของจิต ที่มีต่อลมหายใจถ้าต่อเนื่องไปอย่างนี้เรื่อยๆความอย่างระลึกเหล่านี้จะเป็นใหญ่ขึ้นมาเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์จิตวิเคราะห์ศึกษาพินิษ์พิจารณาถึงเนื้อลมหายใจอย่างละเอียดรู้รายละเอียดของอารมณ์คือลมหายใจต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรียกว่าธรรมวิทยะสัมโพชฌงค์เพราะจิตเข้าไปสอดส่อง เข้าไปสอดส่องลมหายใจด้วยวิธีการอย่างระลึกนั้นอย่างต่อเนื่องมันก็เกิดการโน้มใจเข้าไปมีฉันทะเข้าไปจิตจะเกิดความภาคเพียรอย่างธรรมชาติในการที่จะอย่างระลึกและสอดซองลมหายใจอ้นี้เรียกว่าวิริยะสามพุทธชง ความอย่างระลึกความสดอสองของจิตที่มีตลมหายใจความโน้มเข้าไปเพื่อความระลึกและความสดอส่องที่เรียกว่าความเพียรอย่างมีฉันทะเป็นธรรมชาติที่เกิดในขณะนั้นทาให้เกิดความเย็นความเรียบความราเริง แล้วก็ความอิ่มของจิตที่มีต่ออารมณ์คือลมหายใจจิตรู้จะเกิดความอิ่มตัวขึ้นมานี่เรียกว่าปิติสามโปดชงความอย่างระลึกความสดส่องความเพียรในการรู้อย่างระลึกนั้นความราเริงความเย็นความเรียบที่เกิดขึ้น ความอิ่มที่ตัวที่เกิดขึ้น <c oughs> ของจิตจะทําให้จิตเกิดการปล่อยวางสภาวะหยับๆยาบไม่มีการดิ้นรนเพื่อที่จะไหลเข้าไปสู่อารมณ์ใดๆจิตจะสะหบตัวเองขึ้นมาอยู่กับลมหายใจเรียกว่าปัสธิ สัมปช u n เมื่อสงบตัวจากอารมณ์ขึ้นมาเรื่อยๆจิตก็จะเกิดความสบายจากการสงบตัวเองขึ้นมานั่นเรียกว่าความสุขความสุขนั้นตั้งต่อเนื่องด้วยการหยั่งระลึกสอดส่องเพียนรู้เพลี่ยนระลึก ทําให้เกิดความตั้งมั่นของจิตจิตจะมีความแน่วแน่ต่ออารมณ์คือลมหายใจความแน่วแน่ที่ตั้งมั่นในอารมณ์นี้แหละเมื่ออบรมต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็จะเป็นสมาธิสามโภชฌง คือความตั้งมั่นในอารมณ์เมื่อจิตตั้งมั่นในอารมณ์ได้ยังยางรู้ยังระลึกตอดสส่องลมหายใจต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็ตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในอารมณ์หายใจอย่างนี้ก็จะเกิดการวางเฉยในอารมณ์อื่นๆโดยเช่นเชิงในขณะที่ตั้งมั่นอยู่นี่เรียกว่าอุเบคา และอุเบกขาที่เป็นความวางเฉยนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็จะเป็นอุเบกขาสามพชงพุทธชงทั้ง7ประการจะสลับเกิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆแบบนี้ในการเรีนการจเจริญ อ, อนาปานสติเราสามารถเรียนรู้เข้าถึงและสัมผัสได้ด้วยการปฏิบัติ ปรคองจิตให้เป็นอุเบกขาสัมโพธชงไปให้ไป็นอุเบกขาในอารมณ์ในสภาวะทั้งหลายต่อเนื่องไปเรื่อยๆสัญญาคือความจําที่จะน้อมไปอดีตเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจิตเพียงแค่สักว่ารู้เมื่อเกิดเป็นอุเบกขาขึ้นมาสักว่ารู้แปว่าเป็นเพียงแค่สัญญาสักว่ารู้ว่ามันเป็นเพียงแค่เวทนาและจิตก็กลับมา แน่วแน่อยู่กับอารมณ์คือลมหายใจถ้าลมหายใจมันหยุดไปโดยเหตุใดใดก็ตามจิตก็รู้สภาวะของความหยุดดัวของลมหายใจก็รู้ในความหยุดของลมหายใจต่อเนื่องไปอย่างนี้เรื่อยๆ เมื่อเดินจิตในอารมณ์ได้มาอย่างนี้เราก็จะเห็นได้ว่านิวร์ทั้งหลายไม่สามารถเกิดขึ้นมาที่จิตได้จิตก็เพียงสักว่าแค่รู้ถึงความหยุดไปของนิวรณ์แตถ้านิวรณ์ตัวใดจะเกิดขึ้นเช่น จ, จิตรู้สึกอึดอัดนั่นเป็นพยาบาทนิวรณจิตเรียกหาความสบายก็เป็นการมา่จันทนิวรจิตเพียงแค่รู้ว่านี่นิวรเหล่านี้เกิดขึ้น ก็ไปคว้าวรู้ลมหายใจแล้วหันมาดูนิวรณ์รู้สึกกับนิวรณ์ที่เกิดพอนิวรณ์ตัวใดดับก็รู้ว่ามันดับไปแล้วก็กลับไปรู้ลมหายใจแต่ขณะที่ไม่มีนิวรณ์ตัวใดเลยเช่นไม่มีการมาฉันทะนิวรณ์ไม่มีพยาบาทนิวรณ์ไม่มีถีนมิทานิวรณ์ไม่มีวิจิกิจานิวรณ์ ให้จิตรู้ในความไม่มีนิวรนนั้นให้รู้ว่าขณะนี้กามะฉันตะนิวรนไม่มีอยู่ให้รู้ว่าขณะนี้พยาบาทนิวรนไม่มีอยู่ให้รู้ว่าขณะนี้ถีนมิทะนิวรนไม่มีอยู่ ให้รู้ว่าขณะนี้อุททัจจะกักจจานิวรณ์ไม่มีอยู่ให้รู้ว่าขณะนี้วิจิกิจฉาความสงสัยเคลือบแคลงนิวรณ์นั้นไม่มีอยู่แล้วให้จิตรู้ด้วยว่ากามัจฉานิวรณ์ไม่มีเพราะจิตแน่วแน่อยู่กับอารมณ์และก็วางเฉยต่อสภาวะทั้งหลาย ให้รู้ด้วยว่าพยาบาทนิวรณ์ไม่มีเพราะจิตแน่วแน่ในอารมณ์คือลมหายใจและก็วางเฉยต่อสภาวะทั้งหลายให้จิตรู้อย่างชัดเจนว่าที่ไม่มีถีนมิทะนิวรณ์ไม่มีก็เพราะว่าจิตรู้แน่วแน่ในลมหายใจและก็วางเฉยต่อสภาวะทั้งหลายให้จิตรู้ชัดเข้าไปอย่างแน่วแน่ ว, ว่า ที่วิจิกิจนิวรณ์ไม่มีเพราะจิตรู้ในลมหายใจตั้งมั่นอยู่ในอารมคือลมหายใจและก็วางเฉยต่อสภาวะทั้งหลายอันนี้เรียกว่าเมื่อนิวรณ์เมื่อตัวใดไม่มีอยู่จิตก็รู้ว่าไม่มีไม่มีเพราะอะไรจิตก็รู้ว่าไม่มีเพราะอะไรถ้านิวรณตัวใดเกิดขึ้นจิตรู้ว่านิวรณ์ตัวใดเกิดนิวณตัวใดดับจิตรู้ว่านิวรตัวใดดับ จิตรู้ว่านิวรณ์ตัวนั้นเกิดเพราะอะไรรู้ว่านิวรณ์ตัวนั้นดับเพราะอะไรนิวรณ์ที่เกิดในขณะนี้ถ้าหากว่าถีนมิถานิวรณเกิดขึ้นก็เพราะจิตไม่ได้แน่วแน่ในอารมณ์คือลมหายใจเมื่อจิตหันกลับมาแน่วแน่ในใ น, ในอารมณ์คือลมหายใจนิวรณ์ตัวนั้นก็ดับนี่คือเหตุและปัจจัยของการเกิดการดับของนิวรแต่ละตัวจิตรู้ชัดทั้งการเกิดและการดับ รู้ชัดถึงสาเหตุของการเกิดและการดับของนิวรแต่ละตัวได้ความรู้ชัดที่มีตลมหายใจในขณะนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอธิกา ย, ยตาาาตุติว่าปนัสสะปฏิติทาหติ กายนั้นมีอยู่จิตเพียงแค่ระลึกได้ว่ากายนั้นมีอยู่เป็นที่ตั้งของสติเท่านั้นจิตแค่รู้อย่างนี้ว่ากายมีอยู่เป็นเพียงแค่ที่ตั้งของสติเท่านั้น ความรู้ชัดต่ออารมณ์คือลหมหายใจอย่างแน่วแน่ได้ตั้งมั่นทาให้เกิดการวางเฉยต่อสภาวะทั้งหลายของจิตในขณะ น, นี้เกิดสภาพของทรงตัวอยู่ที่ว่านกปินจิโลเกอุปาดิยติจิตจะมีสถานะเสมือนกับไม่ได้ถือมั่นอะไรสิ่งใดๆในโลกเลยไม่มีสิ่งรักไม่มีสิ่งชังปรากฏขึ้นที่จิต จิตไม่งอนแง่งกูนเงินกับสิ่งใดๆที่มากระทบจะคงตั้งมั่นและก็วางเฉยต่อสภาวะทั้งหลายอย่างนั้น จากนั้นทำลมหายใจยาวๆหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวทำลมหายใจปกติยกจิตมาที่มือข้างขวาขายับปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึกเคลื่อนมือขวาไปวางไว้ที่เข้าข้างขวาให้จิตรู้สึก ขยับปลายนิ้วมือซ้ายให้จิตรู้สึกยกมือซ้ายเคลื่อนมือซ้ายไปวางไว้ที่เข่าข้างซ้ายให้จิตรู้สึกยกจิตกลับมารู้อยู่ที่เฉพาะใบหน้าของตนเองพาหัหน้าขึ้นมานิดหนึ่งและออกจากสมาธิและให้คงความสหบนั้นไว้ก็อยากจะให้ใช้โอกาสนี้เป็นการปฏิบัติต่อเนื่องเป็น private ิสระ โดยเอาอุเบกขาและสติสมาธิที่มีอยู่นขณะนี้ไปใช้ในอิริยาบถเดินใครจะนั่งต่อก็ได้หรือใครจะเดินก็ได้ไม่มีรูปแบบโดยให้สติสมาธิและอุเบกขาที่ยังคงอยู่นั้นคงทำงานมีความรู้ตัวมีความระลึกในการก้าวในการเดินในการยืน หรือเราเดินหยุดยดยืนรู้ลมหายใจของเราก็ได้แต่ให้สภาพของสติสมาธิและอุเบกขาที่มีอยู่นั้นคงอยู่ในความรู้สึกตัวทุกขณะที่เคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนไม่มีรูปแบบให้เวลาตรงนี้ประมาณส0สบนาทีเดินได้นั่งได้จะเหยียดจะคู่จะเหยียดแขนจะต้าเท้า จะนั่งจะลุกจะเดินจะเข้าห้องน้ำให้มีสติและอุตมาธติพร้อมทั้งอุเบกขาที่ยังทรงตัวอยู่นั้นอยู่ด้วยความรู้ตัวตลอดเวลาจะให้ปฏิบัติตรงนี้สามสิบนาทีก็าลองดูว่าการใช้สภาพธรรมที่ปรากฏที่ครองอยู่นั้นให้เป็นใหญ่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องพูด พอมีเสียงเกิดปับ๊บเกิดโซตาวิญญาณขึ้นมาจิตเข้าไปรู้ในเสียงนั้นปับ๊บพอรู้ปับ๊บวางปับ๊บพอรู้ปับ๊บวางปับ๊บสังเกตอาการว่าพอมันกระทบปับ๊บมันจะเป็นสัญญาเกิดก่อนไอจะเป็นภาษากระทบภาษาคือการกระทบเสียงกระทบกับ หูเกิดเป็นโสตสัมผัสพอกระตบุบปั๊บมาเกิดความรู้ในเสียงความรู้สึกในเสียงว่าได้ยินนั่นะเป็นโสตวิญญาณพอรู้ปั๊บตรงนั้นยกจิตกลับมาที่ลมหายใจหรือยกจิตกลับมาที่เท้าหรือยกจิตกลับมาที่ความรู้ตัวส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้มันไม่ปรุงแต่งต่อมันก็จะดับปุ๊บ มันก็ดับปุ๊บมันไม่ไปสู่เวทนามันไม่มันไปสู่ตัณหาไม่ไปสู่อะไรมันดับปุ๊บมันทีนั่นเรียกว่าดับดับพัดสะสติสมาธิและอเบคาเขาจะทำงานเรื่องนี้ได้ดีมากโดยตรงมีกำลังพอที่จะดับได้เพราะได้ยินปับ๊บมันเป็นโสตะวิญญาณ ก็คือการสัมผัสกระทบขึ้นมาแล้วก็ดับปุ๊บเพราะว่าจิตตั้งอยู่ข้างในพอติตตั้งข้างในได้มันจะเห็นเห็นปั๊บมันก็ดับแล้ว ก, กลับมาอยู่ข้างในเห็นปั๊บมันก็ดับได้ยินปั๊บมันก็ดับแล้วกลับมาอยู่ข้างในได้ยินปั๊บมันก็ดับแล้วกลับมาอยู่ข้างในแต่จิตไม่มีที่อยู่ ไม่มีเบคขาไม่มีสติสมาธิไม่มีเครื่องอยู่ข้างในเรียกว่าไม่ได้อยู่ในกายที่เราเรียกว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารติจิตมีการทิพตามพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เนืองเนืองอย่างนี้ เ, นเรียกว่าเห็นกายอยู่กับกายในกายพอกระทบปั๊บจิตรู้แล้วก็ดับปุ๊บกลับมามีที่อยู่ข้างใน มันก็จะไม่มีการปรุงแต่งสภาวะที่เกิดก็ดับเกิดก็ดับแต่ถ้าจิตมีประสบการณ์ในการที่ปล่อยวางสภาวะที่เกิดนั้นได้ไม่ว่าจะกระทบทางตาก็ดีทางได้เห็นทางได้ยินทางได้ฟังก็ดีถ้าจิตมีประสบการณ์ปล่อยวางการกระทบนั้นได้ต่อไปจิตก็จะ มีตาทีในการปล่อยวางที่ง่ายขึ้นในการกระทบต่อสิ่งต่างๆได้ยินเสียงปับ๊บรู้ดับปุ๊บกลับมาอยู่ข้างในเดินไม่จาเป็นต้องเดินเร็วเดินช้าๆก็ได้ให้จิตมันมีความรู้ มีความรู้ในการเคลื่อนมีความรู้สึกในกิริยาที่เกิดกิริยาใดๆก็ตามที่เกิดที่กายนี้จิตมีความรู้ถึกในกิริยาทุกๆ ก, กิริยาเพราะทุกๆ ก, การเคลื่อนไหวทุกๆ ก, การกระทำ ม, มันมีเจตนามันมีเบื้งเบื้อ ง, งหลังมีเหตุมีปัจจัยของมันอยู่เราเพียงแค่รู้ในการกระทำนั้นๆในการเคลื่อนไหวนั้นๆในกิริยานั้นๆ จิตเพียงแค่รู้รู้รู้รู้ในที่สุดแม้กระทั่งการกระทําในใจเรียกว่ามนานสิการในขณะที่จิตตั้งอยู่ข้างในอยู่กับลมหายใจก็ดีอยู่กับความหยุดของลมหายใจก็ดีอยู่กับตายส่วนใดส่วนหนึ่งกดด็ดีมีการเคลื่อนไหวทางใจมีความกลับเพิ่ม เรียกว่ามีมนัสิการมีกิริยาซึ่งเป็นจิตตสังขารที่เกิดขึ้นจิตเพียงแค่รู้รู้ในจิตตสังขารเหล่านั้นรู้ชัดในความดับไปของจิตตสังขารได้แล้วก็กลับไปอยู่ข้างในกลับไปอยู่ข้างในก็คือลมหายใจหรือการเคลื่อนไหวของเท้าหรือกายส่วนใดส่วนหนึ่ง นี่แลที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอธิกายุติวัสสะสติปิตสติจายานามยานามัตาตาปิสติมัตตาจิตรู้ว่ากายมีอยู่เป็นที่ตั้งของสติเป็นเพียงแค่ระลึกเป็นเพียงแค่รู้ ความเคลื่อนไหวของทุกๆสภาวะที่ปรากฏที่ว่าภายในก็ดีภายนอกก็ดีสมุดยัธรรมานุปัสสีว่ากายะสมิงวิหารติ ิก็มีความเห็นเป็นปกติธรรมดาของการเกิดขึ้นของสิ่งนั้นเป็นปกติอยู่อย่างนั้นเห็นความเสื่อมเป็นธรรมดาเห็นทั้งความเกิดทั้งความเสื่อมของสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นแล้ก็กลับไปอยู่ข้างใน พอจิตรู้ตัวชัดเจนมากขึ้นก็หันน้อมไปศึกษารู้รูปนามของตนส่วนที่เป็นรูปจิตพยายามทำการวิเคราะห์รูปสอดส่องรูปที่เป็นกายน้อมก็ไปสู่อติตสัญญาสัญญาในอดีตตั้งแต่รู้สึกได้จำได้ ว่ารูปกายของเราในอดีตเป็นอย่างไรในช่วงจังหวะหนึ่งเป็นอย่างไรเปลี่ยนแปลงมาเป็นอย่างไรเปลี่ยนมาเรื่อยเรื่อจิตสามารถใช้สติสมาธิและอุเบกขาโน้มเข้าไปเพื่อรู้เป็นอนุปัสสีกายกายอนุปษษัสสีว่ารูปกายของเรามันเปลี่ยนแปลงตามช่วงจังหวะของชีวิตมาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรและอนุมานตามดูไปในข้างหน้า ว่าถ้ามันตั้งอยู่อย่างนี้มีปัจจัยปุงแต่งอย่างนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของกายนี้เรียวแรงที่จะมันจะลดลงร่างกายที่จะอ่อนแอ ล, ลงหนังที่จะเหี่ยวย่นลงผมที่จะขาวเล่นหลุดร่วงลงวันที่จะหักเละหลุดออกไปลงจมูกที่จะบี้ยุบลงตาที่จะฟ้าฟางลง หูที่จะตึงลงมากขึ้นร่างกายที่จะโน้มที่จะโอมที่จะกม้มที่หลังที่จะโก่งลงที่โครงที่จะโก่งออกมาอนุมานออกไปให้ได้ในกายแล้วในที่สุดมันก็แตกสลายดินก็ออกไปน้ําก็ออกไปกายก็แตกแล้วก็น้มกลับไปอีกตั้งแต่เริ่มต้นว่า ที่เราจําความได้กายนี้ก่อตัวข kind of yes, okay. ึ้นมาแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแต่ละช่วงของชีวิตเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ใช้สัญญานึกถึงรูปของตนเองแต่ละช่วงของชีวิตก็ได้แล้วให้จิตมันเกิดความประจักษ์ชัดว่ากายมันเปลี่ยนแปลงเป็นแบบนี้เปลี่ยนแปลงเป็นแบบนี้เปลี่ยนแปลงเป็นแบบนี้จนมาถึงตอนนี้แล้วลึกในไปในอนาคต ไม้ได้ว่าต่อไปมันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ในที่สุดมันก็จะแตกดับไปพิจนาสอดส่องกายเรียกว่าธรรมวิจยะสอดส่องไปมาเรื่อยเรื่อยจนจิตมันเกิดความรู้สึกอย่างนั้นได้ mm hmm. เห็นชัดว่ากายนี้มันไม่เที่ยงถ้ามันยังรู้สึกได้ไม่ชัดก็เน้นมุ่งเข้าไปไในกายที่เป็นปัจจุบัน ว่าร่างกายที่เราตั้งนั่งอยู่นี่หรือเราที่ยืนเดินอยู่นี่มันเป็นกายที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งสี่ประการคือดินน้ำลมไฟลักษณะแข็งแข็งก็เป็นดินลักษณะอืบอาบเหลวก็เป็นน้ำลักษณะที่เคลื่อนพัดเข้าพัดออกพัดขึ้นพัดลงแม้แต่ลมหายใจก็เป็นลมความอบอุ่นในร่างกายก็เป็นไฟ ธาตุทั้งสประการนี้แหละประกอบก่อตัวขึ้นมาเป็นกายธาตุจะมีความบกพร่องตัวมันเองอยู่ตลอดเวลาส่วนที่เป็นดินก็จะบกพร่องส่วนที่เป็นน้ำก็จะบกพร่องส่วนที่เป็นลมก็จะบกพร่องเราต้องคอยเติมธาตุเหล่านี้ตลอดเวลาและวันหนึ่งธาตุเหล่านี้พร้อมที่จะแตกตัวออกจากกันเมื่อธาตุใดธาตุหนึ่งแตกแยกออกไปกายก็ไม่เป็นกาย กายนี้ก็ถือว่าดับเพราะโอกาสที่กายนี้จะตั้งอยู่นั้นยากมากต้องอาศัยความประคับประคองอย่างดีที่จะให้กายนี้ตั้งอยู่ได้ในช่วขณะช่วขณ ะ, ขณะแต่สุดท้ายมันก็ต้องแตกย่อยยับไปตามเหตุตามปัจจัยจนจิตมันเกิดประจักษ์ชัดขึ้นมาได้ว่ากายนี้ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแ ป, ปรปลุนทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ เพราะว่ามันเสื่อมสิ้นพิบัติแปรปวนไปเป็นปกติมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถบังคับบัญชาบงการกายนี้ให้คงอยู่ตามที่เราปรารถนาได้มันเป็นอนิจจงเป็นทุกขังเป็นอนาตาอยู่อย่างนี้กายนี้ไม่เหมือนไม่เกายนี้มันจึงเป็นเหมือนกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในตั้มกลางและก็แปรปวนเปลี่ยนแปลงแตกสลายไปในที่สุด มันเป็นเรื่องราวของสปปรรพสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมีความแตกดับไปเป็นธรรมดาแม่ตายของเราก็เป็นอย่างนั้นจิตที่มีความรู้สึกอย่างนี้ต่อกายของตนให้ทำความรู้สึกไปเรื่อยๆแม่ติดใจิตใจความรู้สึกความรู้สึกที่เป็นสุขความรู้สึกที่เป็นทุกข์ความรู้สึกเฉย ความรู้สึกที่เป็นสุขเราก็เคยรู้สึกเป็นสุขมามากมายหลายครั้งแต่ความรู้สึกนั้นไม่เคยคงทนเลยมันแค่รู้สึกแล้วก็ดับไปแค่รู้สึกแล้วก็ดับไปแค่รู้สึกแล้วก็ดับไปความรู้สึกที่เป็นทุกข์เราก็เคยเจอมาหลายครั้งมันแค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแม้ในขณะที่เป็นปัจจุบันยังมีความรู้สึกหลากหลายที่ประดาประดังปรากฏตัวขึ้นมาความรู้สึกเหล่านั้นทั้งหมด มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีความรู้สึกใดที่เที่ยงแท้ยั่งยืนให้ใช้สติสมาธิและอุเบกขาสติคือความยั่งระลึกลงไปที่กาย กานั่งอยู่ก็อย่างระลึกไปที่ลมหายใจสมาธิคือให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์นั้นอย่างแน่วแน่ส่วนอุเบกขาความวางเฉย ก, ก็คือการปล่อยวางสภาวะทั้งหลายกายแม่เดินอยู่ก็เป็นเพียงแค่เครื่องระลึกของสติกายแม่นั่งอยู่ก็เป็นเพียงแค่เรื่องร ล, ลึกของสติ แม้เคลื่อนไหวอยู่ในอิริยาบถใดๆมันก็เป็นเพียงแค่เครื่องระลึกของสติ